ลมหายใจสุดท้ายสิ้นลงกายกับวิญญาณก็จะแยกจากกันอย่างสิ้นเชิงไรซึ่งความเกี่ยวข้องใดๆต่อกันอีกวิญญาณจะไร้สิ่งเกาะยึดยิ่งกรณีตายหงแล้วด้วยวิญญาณยิ่งไรที่ยึดที่พึ่งเว้นแต่ว่าเมื่อครั้งยังมีลมหายใจอยู่ได้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลผลบุญสั่งสมมาก็จะมีผลค้ำจุนหนุนนําจนสามารถคลําหาทางสว่างสู่สุคติได้ด้วยกรรมดีที่เพียรสร้างไว้ หากบุญกุศลไม่ถึงวิญญาณ น, นั้นก็ยังคงสิงสถิตณจุดสุดท้ายที่ตายก็คือตายที่ไหนวิญญาณก็อยู่ที่นั่นเป็นต้นว่าหากตายเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์แม้ว่าญาติพี่น้องจะนำศพไปบําเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาแล้วก็ตามแต่วิญญาณก็ยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นไม่ไปสู่สุคติสักที ในบางครั้งอาจมีการออกรังควานหรือรบกวนสร้างความรำคาญแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นอีกก็เป็นได้ฉะนั้นทางเดียวที่วิญญาณของเขาเหล่านั้นจะไปสู่พบภูมิที่ดีก็มีอยู่ทางเดียวนะคะก็คือญาติญาติของผู้ตายจะต้องบอกให้เขารู้ตัวว่าได้ตายไปแล้วและเรียกเขากลับบ้านเพื่อจะได้ทำศพบำเพ็ญกุศลต่อไปวิธีการดังกล่าวก็เรียกกันเขาว่าการเชิญวิญญาณค่ะ การเรียกวิญญาณกลับบ้านกลับเรือนเมื่อมีการตายแบบเฉียบพลันหรือที่เราเรียกกันว่าตายโหงนะคะไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยแต่ว่ามีในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาแทบทุกประเทศที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าคติความเชื่อของสำนักคิดทางพระพุทธศาสนามองชีวิตเป็นเรื่องเวียนว่ายตายเกิด และก็มีความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายเมื่อมีการตายหรือว่าการเสียชีวิตด้วยเหตุกระทันหันวิญญาณจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้ตายไปแล้วและก็ยังคงสิงสถิตแล้วก็วนเวียนอยู่ณนะบริเวณที่ตัวเองตายค่ะโดยไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้จนกว่าจะมีผู้ที่มาอยู่แทนจึงจะไปสู่ภพภูมิสุขติเบื้องหน้าญาติของผู้ตายจะต้องประกอบพิธีเรียกวิญญาณณจุดตายเพื่อให้กลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดจะได้ไม่เป็นวิญญาณเร่ร่อนไร้ร่องรอยพร้อมกัน น้นค่ะก็จะประกอบพิธีศพเพื่อส่งวิญญาณสู่พบสุขคติตามบุญบารมีของผู้ตายที่สั่งสมมาเมื่อคราวยังมีชีวิต พิธีกรรมนี้ในแต่ละภูมิภาคนะคะอาจจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดแต่ว่าโดยเนื้อแท้ก็มุ่งไปในทางผลเดียวกันก็เพื่อประโยชน์ให้แก่วิญ ญ, ญาณที่ตายโหงอย่างที่สุดการประกอบพิธีไม่กำหนดกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขของเวลาที่แน่นอนตายตัวนั่นหมายความว่าญาติผู้ตายจะทำในเวลาใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นขึ้นอยู่กับความสะดวกและความเหมาะสมของครอบครัว อย่างไรก็ตามค่ะญาติก็ควรจะไปขอคำปรึกษาจากพระที่ตัวเองเคารพนับถือในสมัยก่อนนิยมนิมนต์พระในหมู่บ้านที่ผู้ตายเกิดแล้วก็ผู้ตายอาศัยอยู่เพราะว่าสังคมชนบทค่อนข้างเล็กพระท่านก็จะรู้จักมักคุ้นกับผู้ตายจึงสะดวกหากท่านพูดคุยบอกกล่าวกับผู้ตายนะคะ ในเรื่องจำนวนพระที่ทำพิธีจะใช้ส ก, กี่รูปก็ได้ไม่มีการกำหนดค่ะเพราะว่าพิธีนี้ไม่ใช่พิธีกรรมทางสงฆ์จึงไม่จำเป็นต้องมีสีรูปก็สามารถทำได้นะคะญาติผู้ตายก็จะนำข้าวปลาอาหารทั้งคาวหวานมาจัดเตรียมในภาชนะวางบนผ้าปูสีขาวพระก็จะสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ต่อด้วยการดาบังสุกุล จากนั้นอาจจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาที่ว่าด้วยเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายสุดท้ายจะให้ญาติกรวดน้าอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายและให้อนุโมทนาพรแก่ญาติอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อถึงบ้านญาติก็จะจุดทูบจุดเทียนบอกกล่าวเล่าแจ้งแก่พระภูมิเจ้าที่เพื่อขออนุญาตพาวิญญาณเข้าบ้าน ดังเช่นเมื่อตอนที่เกิดเหตุการณ์ซีนามินะคะเมื่อปลายปีพุทธศักราช2547ค่ะที่คราชีวิตทั้งชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวไปเป็นจํานวนมากสร้างความเศร้าโศกเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่ทราบข่าวเป็นอย่างมากค่ะหลังจากเหตุการณ์นั้นญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์กับหน่วยงานต่างๆก็ได้มีการทําบุญอุทิศส่วนกุศลและเรียกวิญญาณผู้ตายกลับภูมิลําเนาเพื่อให้วิญญาณ น, นั้นจะได้ไม่ต้องลําบาก ในส่วนของงานศพผีตายโหงนะคะโดยทั่วไปก็จะเรียกว่างานอาวบมงคลค่ะที่เกี่ยวเนื่องกับการตายตามธรรมชาติมักจะถูกจัดขึ้นภายหลังเหตุการณ์เสียชีวิต 1-2 ถึงวันแล้วก็เสร็จงานภายใน9วันนับตั้งแต่วันสวดวันแรกนะคะในทางตรงกันข้ามกรณีที่เป็นการตายแบบไม่ธรรมชาติหรือไม่ปกติก็จำเป็นต้องมีความแตกต่างกันออกไปโดยจะตัดบางส่วนของการทาศพออกแล้วก็เพิ่มส่วนอื่นเข้าไป เป็นต้นว่าอาจจะเป็นการตัดการอาบน้ําศพออกไปแต่ว่าอาจจะยังคงการรดน้ําศพไว้หรือถอดการสวดพระอภิธรรมออกแต่ว่ายังคงมีการมัดตราสังนะคะสําหรับในกรณีตายโหงค่ะการมัดตราสังหรือที่เรียกว่าตราสังเป็นการผูกศพแบบปลอเปาะเป็นสิ่งที่จะละไว้ไม่ทํานั้นไม่ได้นะคะก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมประเพณีที่มีคติความเชื่อที่ทํากันมานานไม่เช่นนั้นวิ ญ, ญญาณอาจเที่ยวรังควาญญาตพี่น้องและก็คนอื่นๆ ได้เชือกไส้หรือว่าได้ดิบยาวขาวนะคะคล้องผูกคอยงมัดข้อมือสุดท้ายก็จะเป็นข้อเท้าเสร็จสับสามส่วนเรียกว่าตราสังเป็นพิธีที่แฝงคติหลักพุทธปปัจชญาด้วยการอุปมาไว้อย่างแยบคายที่พอจะอธิบายได้ค่ะว่าลูกรักดังบ่วงผูกคอข้อมือคือเมียขวัญห่วงทวินข้อเท้าราวว่าทรัพย์สินสิ่งของอันห่วงแหน ปัญหาสามอย่างนี้เป็นเชือกให้เกลือกลิ้งพาวิ่งวนในวัฏฏะสงสารพอมัตราสังแล้วศพนะคะจะถูกนาไปฝังในป่าช้าเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีแล้วก็จะขุดขึ้นมาบาเพ็ญกุศลค่ะตามประเพณีจะไม่มีการอาบน้ำศพหรือประกอบพิธีกรรมอย่างอื่นอีกแต่ว่าอาจจะมีการบอกกล่าวอาโหสิกรรมต่อการในเรื่องที่อาจจะเคยล่วงเกินทั้งกายวาจาใจก่อนที่จะทาการฝังนะคะ เหตุที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพื่อให้ดวงวิญญาณได้รับรู้ว่าตนจากโลกไปแล้วอีกทั้งจะได้รับสะสมกุศลที่ญาติพี่น้องอุทิศให้แล้วก็จะได้เป็นทุนเกื้อนหนุนสู่โลกหน้าค่ะ ปัจจุบันไม่มีพื้นที่มากพอสําหรับการทําป่าช้าเช่นแต่ก่อนจึงมักจะเก็บศพไว้ในโกดังเก็บศพเช่นในกรุงเทพมหานครและก็ตามหัวเมืองใหญ่จากนั้นนะคะช่วงเวลา3ปีแห่งความคิดถึงอันยาวนานก็จะเริ่มแผลงฤทธิ์ประกาศชาวบ้านกล่าวค่ะ ว, ว่าช่วงสปีนี้เป็นช่วงเวลาที่จะให้ญาติพี่น้องทําใจบ้างแย้งว่าเป็น3ปีที่ทรมานสู้เผาหรือฝังเลยจะดีกว่าจะได้ทําใจทีเดียวไม่ต้องให้ความรู้สึกคิดถึงหรือว่าห่วงหานะคะมาบั่น จจิตใผู้ที่อยู่ข้างหลังให้จมหายไปกับระยะเวลา3ปีอย่างไรก็ตามปราดผู้เท่าท่านเดิมค่ะก็ได้อธิบายว่าช่วงระยะเวลา3ปีที่รอการขุดขึ้นมาทำบุญถือเป็นช่วงที่ญาติต้องฝึกพิจารณานะคะว่าเป็นธรรมดา เพื่อว่าจะได้เข้าใจและสามารถอยู่อย่างมีสติมองโลกมองชีวิตอย่างที่มันเป็นไปนะคะเมื่อครบสามปีก็จะมีการขุดศพขึ้นมาทำพิธีปลงศพด้วยการเผาซึ่งก็จะเริ่มขึ้นในช่วงเช้าตรู่ก่อนบินทบาทแล้วก็ให้เสร็จก่อนเพนหรือว่าราวๆ11บนาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะจากนั้นก็จะทำการชาปนกิจเพื่อส่งวิญญาณตายโหงให้ไปรับใช้กรรมดีหรือว่าจะเป็นกรรมไม่ดีต่างๆที่ได้เคยกระทาไว้ ในถิ่นธุระกันดานนะคะก็จะใช้วิธีเผาด้วยการก่อกองไม้หรือที่เรียกว่ากองฟอนค่ะเป็นเชื้อเพลิงกองใหญ่แล้วก็นำศพที่ขุดขึ้นมาวางไว้บนนั้นซึ่งเรียกว่าก่อกองฟอนหากเป็นในหมู่บ้านที่มีเมนเผาศพนะคะก็จะใช้ตามที่มีอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกความเหมาะสม พระภิกษุสี่รูปสวดมาติกาบางสุกุลวันรุ่งขึ้นจึงทำพิธีเก็บเท่ากระดูกอัฐิไปลอยอังคารในห่วงน้ำเป็นตัวกลางนำเท่าฐานแห่งขัน5ทาธาตุสี่คืนสู่ธรรมชาติะคะ่ะเรื่องที่จะเล่าต่อไปเป็นเรื่องของการสะกดวิญญาณผีตายโหงนะค ะ, <S <s ะก็เรียกว่าวิธีกำราบวิญญาณผีร้ายที่เที่ยวทาร้ายหรือว่าหลอกหลอนคนได้ชงัดที่สุดเห็นจะหนีไม่พ้นการสะกดวิญญาณค่ะ จริงอยู่นะคะคุณผู้ฟังว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องนำมาใช้ทุกครั้งไปในทางตรงกันข้ามหมอผีโดยส่วนใหญ่ตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันมักจะใช้วิธีนี้เป็นวิธีสุดท้ายเพราะว่ามันเป็นการกักขังเสรีภาพของดวงวิญญาณ น, นั้น แต่ก่อนที่จะถึงขั้นตอนนี้ค่ะจำเป็นจะต้องใช้วิธีอื่นๆซะก่อนเพื่อเป็นการตักเตือนดวงวิญญาณที่ดุร้ายหรือว่าเหี้ยนเหล่านี้ให้เลิกพฤติกรรมนั้นๆก่อนนะคะแต่ถ้ายังไม่หยุดไม่เลิกก็ต้องใช้มาตราการขั้นเด็ดขาดนั่นก็คือสะกดวิญญาณค่ะ หลายคนคงเคยได้ยินสุดยอดตำนานการสะกดวิญญาณที่เลื่องลือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนั่นก็คือการสะกดวิญญาณของแม่นาคพระโขนงของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีซึ่งตามตำนานนะคะเล่าว่าวิาวญญาณของแม่นาคพระโขนงนี่ดุร้ายมากขานเนื่องด้วยเธอเสียชีวิตในลักษณะที่เรียกว่าตายทั้งกลมนะคะ การตายดังกล่าวนี้นะคะก็เข้าตำนานสุดเฮี้ยนและก็เป็นเช่นนี้จริงเพราะว่าหลังจากที่เธอตายไปได้ไม่นานข่าวเรื่องความเฮี้ยนของเธอก็โด่งดังไปทั่วซึ่งขณะนั้นหมอผีที่ว่าแน่ๆจะมาลองดีลองวิชาต่างๆก็ต้องวิ่งกันกระเจิงละค่ะเมื่อโดนแม่นาคพระกระหนงหลอกเอาสุดท้ายเรื่องก็ต้องถึงสมเด็จท่านต้องเป็นทุระมาจัดการเรื่องจึงสงบลง อย่างไรก็ตามนะคะท่านก็ได้นำกระโหลกหน้าผากหรือที่รู้จักกันในชื่อปั้นเน่งทำเป็นที่รัดประคดโดยสะกดวิญญาณนางนาคไว้ในนั้นที่ต้องทำเช่นนั้นก็เพราะว่าสมเด็จท่านอยากให้เธอได้บำเพ็ญกุศลด้วยการตามท่านไปประพฤติวัดปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆนะคะเมื่อสะสมบุญบารมีจนเต็มที่แล้วก็ค่อยไปเกิดค่ะ ปัจจุบันการสะกดวิญญาณยังคงมีให้เห็นอยู่บ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มักจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวิญญาณเหล่านั้นได้ไปผุดไปเกิดนะคะแล้วก็ไม่ค่อยนิยมการสะกดวิญญาณเช่นสมัยเก่าเท่าไหร่นักส่วนวิธีการสะกดวิญญาณของหมอผีโบราณ น, นั้นหมอผีที่จะประกอบพิธีนี้ได้จะต้องมีความคลังขมังเวทนะคะแล้วก็เชี่ยวชาญพิธีพอตัวไม่เช่นนั้นหากเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมาจะแก้ไขลําบากยิ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิญ ญ, ญาณด้วยแล้วแล้วก็ไม่สมควร าขันะะ้นแรกเมื่อไปถึงป่าช้าหมอผีก็จะต้องขอขมาแล้วก็ขออนุญาตนายป่าช้าซะก่อนนายป่าช้าที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงมนุษย์บุตุชนที่มีลมหายใจแต่ประการใดแต่ว่าหมายถึงเจ้าที่เจ้าทางผู้ที่ปกปักรักษาป่าช้านั้นการขอขมาของหมอผีแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละอาจารย์ที่เรียนมาดังนั้นขั้นตอนโดยรวมก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกว่ากันเท่าไหร่นักค่ะ กล่าวก็คือเมื่อหมอผีกล่าวคำขอขมาแล้วก็ขออนุญาตเสร็จก็จะต้องดับทูปโดยการเอาหัวทูปที่จุดอยู่ปักลงดินทันทีจากนั้นก็จะกระทำพิธีสื่อจิตเพื่อหาศพผีเฮี้ยนซึ่งเที่ยวออกอรารวาสเมื่อรู้ว่าศพอยู่แห่งใดแล้วนะคะก็จะต้องทำพิธีเปิดประตูธาตุสีณนะที่จะขุดพร้อมกับบอกกล่าวดวงวิญ ญ, ญาณผีตนนั้นว่าตนเองมาด้วยเหตุอนันใดและต้องการอะไรระหว่างที่จะทาพิธีอยู่นั้นคะ่ะหมอผีเหล่านี้ จะต้องใช้สมาธิเยอะมากๆนะคะเพราะว่าผิดพลาดไม่ได้แม้แต่ขั้นตอนเดียวหลังจากขุดศพขึ้นมาแล้วจะต้องสกัดเอาส่วนหน้าผากบริเวณหว่างคิ้วของศพซึ่งจุดนี้ค่ะที่คนโบราณเชื่อกันว่าเป็นจุดรวมวิญญาณ พร้อมกันนั้นเนีาคะหมอผีก็จะเรียกดวงวิญญาณ น, นั้นเข้าสถิตที่กระโหลกหน้าผากแล้วก็จะจารอักขระใส่ลงไปที่กระโหลกหน้าผากตามสายที่ตัวเองร่ำเรียนมาเพื่อกำกับให้กับดวงวิญญาณ น, นั้นไม่ให้อลวาวสระรานคนอื่นให้เดือดร้อนอีกค่ะเมื่อบัรดาหมอผีหรือว่าอาจารย์จอมขมังเวทเหล่านี้สะกดวิญ ญ, ญาณแล้วก็จะพากลับมาด้วย การพากลับมาอยู่ด้วยจะทําเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเพื่อกำตราบแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะทําบุญอุทิศนกุศลให้เป็นประจําจนกว่าจะรู้แน่ชัดแล้วว่าวิ ญ, ญญาณเหล่านั้นมีบุญบารมีพอที่จะไปเกิดที่ภพภูมิที่ดีได้แล้วจึงจะปล่อยไปอย่างไรก็ตามค่ะระหว่างที่ดวงวิญ ญ, ญาณนั้นมาอยู่กับหมอผีก็มักจะตอบแทนด้วยการให้โชคลาภหรือป้องกันพยันตรายให้ถือว่าเป็นการตอบแทนซึ่งกันและกันนะคะ การสะกดวิญญาณด้วยวิธีนี้ในสมัยก่อนนิยมทำกันมากค่ะกรณีสมเด็จโตสะกดนางนาคนั้นท่านก็ใช้วิธีนี้เช่นกันนะคะเมื่อพูดถึงเรื่องราวของการสะกดวิญญาณเรื่องราวของการเชิญวิญญาณกลับบ้านจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะนั่นก็คือเรื่องของมีดหมอปราบผีค่ะ เมื่อพูดถึงเรื่องของการเสริมความกล้าคู่กายของคนสมัยก่อนนะคะก็คงจะไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบกับหมอมมีดหมอนะคะความนิยมในมีดหมอไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่วงการหมอผีเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นความนิยมความเชื่อและคุณค่าของคนในสังคมอย่างกว้างขวางความเชื่อแล้วก็อนุภาพของมีดหมอมีรอบด้าน เป็นต้นว่าใช้เพื่อป้องกันพูดผีปีศาจในยามที่จะต้องไปค้างอ้างแรมตามป่าเขานะคะหรือว่าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์จาพวกเสือสิงกระทิงแล้วก็อสารพิษเข้ามาใกล้ค่ะเพราะว่าบรรดาสัตว์เหล่านี้จะมีสัมผัสบางอย่างที่รู้ได้ถึงความขลังของมีดหมอในสมัยที่ยังไม่มียานพาหานะในการเดินทางที่สะดวกดังทุกวันนี้คนในตอนนั้นก็จะใช้การเดินเป็นหลักละค่ะแต่ว่าคนใด มั่งมีพกกระซับหน่อยก็อาจจะพอหามา้ามาเป็นสมบัติใช้สอยได้บ้างแล้วก็อุปกรณ์ที่สำคัญอันจะทำให้แคล้วคลาดจากพยันตรายนั่นก็คือมีดหมออย่างไรก็ตามนะคะวัตถุประสงค์หลักของการสร้างสิ่งนี้ก็คือเพื่อปราบผีร้ายแล้วก็ไล่ผีสิงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอย่างไรมีดเล็กที่ยาวเพียงคืบก็ยังคงเป็นยอดของขลัง แม้ว่าปัจจุบันนะคะยอดจัตตราสายสายเวทเช่นว่านี้จะห่างหายจากความเชื่อของคนในสังคมไปนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีหรือหายไปเลยทุกวันนี้นะคะมีดหมอยังคงมีการใช้แล้วก็มีความนิยมอยู่ในแวดวงคนสะสมเครื่องอารางของขลังรวมถึงมีดหมอแล้วก็สับเป ร, ะเรอะค่ะส่วนมากแล้วตัวมีดหมอมักทําด้วยเหล็กที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัวซึ่งประกอบไปด้วยตะปูตอกฝาลง เหล็กน้ำผีเงินปากผีเศษบาดพระซึ่งโลหะที่กล่าวมานะคะแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีสัสดส่วนที่แตกต่างกันไปตามสำนักของครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ว่าคุณประโยชน์ด้านการใช้สอยต่างก็มุ่งหวังเพื่อให้เกิดความคลังและขมังเหมือนๆกัน ยกตัวอย่างที่จังหวัดสุรินทร์นะคะหลายครั้งที่ลุงแดงผู้เท่าชราแห่งพนมดงรักต้องเก็บข้าวของและก็อุปกรณ์การทำงานลงใส่กระเป๋าใบดำคู่กายเพื่อเดินออกทางไกลไปต่างอำเภอ วันนี้ก็เช่นกันค่ะหลังจากได้รับการติดต่อจากญาติคนหนึ่งของผู้ถูกผีเข้าแล้วก็รับทราบอาการเรียบร้อยแล้วลุงแดงก็รีบหิ้วกระเป๋าออกจากบ้านทันทีใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะคะแกก็ควบรถเครื่องพาหนะประจำตัวถึงที่ประสบเหตุซึ่งตัวบ้านเป็นไม้ทั้งหลังยกพื้นสูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านในชนบททั่วไป ทันทีที่จอมขมังเวทก้าวขึ้นบันไดบ้านเสียงกรีดร้องของหญิงนางหนึ่งก็ดังออกมาจากตัวบ้านราวกับว่ารู้นะคะว่ากำลังจะมีผู้มาต่อก่อน สภาพเจ้าของเสียงที่กรีดร้องเป็นเพียงสาวน้อยวัยนักเรียนอายุเธอคง18ปปีเป็นแน่นะคะแต่ว่าเสียงร้องแล้วก็คํากลดด่าที่เธอด่ากราดบรรดาญาติพี่น้องที่กำลังมาช่วยกันจับตัวเธอกดไว้ไม่ให้อลราวาดกลับตรงกันข้ามเพราะนะคะญาติพี่น้องบอกว่ามันเป็นเสียงของผู้หญิงวัยชารานะคะ และเมื่อเธอหันมาสบตากับลุงแดงเธอมุ่งคําด่ามาที่แกอย่างประเดประดังกระนั้นก็ไม่มีคําพูดใดออกจากปากเท่าขมังเวทแม้แต่คําเดียวจากประสบการณ์ทําให้แกมองออกว่าจะจัดการกับกรณีนั้นอย่างไรจากนั้นแกก็ล้วงมือไปข้างหลังตรงบั้นเอวเอาอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งที่ว่าก็คือมีดหมอนั่นเองค่ะที่ทําจากด้ามไม้ยิ้วดํฝาฝักทําจากเขาควายลงอักขระจานเป็นภาษาเขมร ทันทีที่วิญญาณในร่างเด็กสาวเห็นก็ด่าลุงแดงเสียหายหายแล้วก็ยังดิ้นแรงขึ้นจนผู้ชายสี่คนที่ช่วยกันจับเธอชักจะเริ่มเอาไม่อยู่นะคะลุงแดงชักมีดอาคมจากฝากพร้อมกับราดน้ำมนต์ที่เตรียมมาลงบนมีดที่ยาวเพียงคืบเอามีดไปจี้ที่หน้าผากของเด็กสาวแล้วก็บริกรรมคาถาอะไรบางอย่างอยู่อีกสักครู่แล้วเด็กสาวก็กรีดร้องขึ้นและสลบไปในที่สุดค่ะก็เรียกว่าเป็นการสิ้นสุดการไล่ผี ลุงแดงบอกนะคะบอกว่าวิญญาณผีร้ายพวกนี้ไม่ได้ต้องการทำร้ายคนเพียงอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาไม่สบายใจจนต้องมาสิงสถิตร่างนี้แต่ว่าถ้ามาดีว่าง่ายก็ออกไปง่ายงแบบนี้ก็ดีไปหากมาร้ายไล่ ย, ยาตอาจจะต้องปราบกันด้วยมีดหมอสักหน่อยนึงนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเกร็ดเล็กๆได้น้อยนะคะเรียกว่าเป็นสาระจากชลพระเจอผีที่เรานามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ